Bank of Radio Formen โดยวิทยาแสงอรุณพี่น้องจ๋าและซิปปิ๊นนะ 3 คอนโทรลเลอร์กลัวถูกตีโก้นฮะต้องมีคือคือเรื่องเป็น 2 2 ก็เด็กแฟนชั้นมาอือเข้าใจมั้ยมันเป็นที่นอน แต่แล้วเอ่อเชคก็อยู่บนนั้นใช่มั้ยทีนี้คืนนั้นคุณน้องเค้าก็เออ แต่ต้องต้องถามนิดนึงก่อนเนาะเข้าใจมั้ยกําลังกําลังค่ะไม่ใช่กําลังกําลังกําลังกําลังอยู่มีอยู่เลยกําลังอ๋อกําลังเออกําลังแบบเนี่ยรู้จักพี่น้องกระดาษได้ไม่รู้ไม่รู้ เขาก็เลยคิดว่าขโมยอืมเอ๊ะขโมยใครกุญแจเหรอนี่ไม่เสียกุญแจอ๋อเออแล้วเปิดไปคิดว่าเราก็แล้วๆๆๆก็ไปไม่ คนนั้นข้างอยู่ตัวติดกับเธอเดินไปชั้นไม่ แล้วปกติเนี่ยเค้าก็จะต้องนอนตรงนี้เออเค้าเป็นห้องที่แบบไว้สําหรับให้เค้าเพื่อจะมานอนเออก็แบบเออเราอุ้ยอ้าวแล้วก็มัน งั้นแน่นอนพือแล้วกันฉันก็โทรหมอให้มันเออแล้วห้องมันเป็นจะไปนอนโรงแรมก็ไม่ได้ต้องอยู่เออ อะไรอย่างเออแล้วน้องชายดูมีท่าเชื่อมั้ยแล้วเออผมไม่สน อ๋อเมื่อกี้ไม่จบแม่งค้างอยู่เออไม่จบเหมือนดูหนังแล้วพอสไว้อยู่เออไม่จบไม่จบก็ตอบมาเอให้เสร็จซิเออ อ๋อไม่ไม่ไม่แบบมันเหมือนมันไม่ใช่เป็นห้องของใครอยู่แล้วมันเป็นเพียงแต่ว่าเป็นห้องๆใส่ 8 นิ้วไง 8 นิ้วแล้ว เออไปนอนตรงนู้นเออไปนอนมุมนู้นพอไปนอนพอนอนตรงนู้นเนี่ยที่นอนมันสูงอยู่แล้ว เออแล้วท่าเธอมันเป็นท่าไหนที่เหมาะสมนอนมันมันมีสูงๆอย่างเงี้ยเราก็เถิกมาให้ไกลที่สุดเออใช่ หัวไม่ได้โผล่ด้านที่เจมมองไปโผล่ด้านหลังอ่ะเค้ามุดได้ป่ะไม่ใช่หรอเออโหเธอตอนตื่นๆไม่ไม่ไม่ไม่ไม่คือ แบบมันพร้อมกันอีกเออไม่แล้วขอโทษนะในบ้านก็อีกเหรอมีมีห้องอื่นก็นั่นน่ะเออ ก็เต้นเต้นอยู่เต้นเต้นเป็นเป็นโอ้ไม่สนใจแอร์เออหรอกไป นั่นดิสนี่ประมาณเค้าคิดว่าเค้าถ้าเค้าเห็นเค้าเข้าใจเจ๋ยแหละเออเออมีความสุขแน่นอนไม่ต้องถามว่าบัตรนี้เค้าเข้าใจยังจริงๆนะใช่ว่าน้องจะรู้แต่ว่า อ่าเสร็จก่อนแล้วพี่เอของเราให้ฟังบ้างแล้วเนาะเปล่าเอ้านึกอะไรน้องการ์ดเปล่าก็ก็สัปดาห์ที่แล้วตอนนั้นกระโทมาถามมาฮะแต่ว่ามันยังไม่เลยเขาเลยขอ สมมุติว่าถ้าเกิดมีใครถามใครอะไรใครเนี่ยเราก็จะไม่มาเมาอย่างที่บอกคือไม่ค่อยติดต่อมาอะไรอย่างงี้ใช่ สุกที่แล้วอ่ะฮะ 1 กรกฎาคมครับก็ผมก็อารมณ์แบบก็ทําอะไรตามประสาตัวก็สัญญาณมันนั้นเป็น ห้ะใช่อะไรอ่ะก็งงอ่ะเออก็จริงๆเราเลิกครับไม่ๆผมผมก็ซัก ผมช็อกไปเลยเค้าเล่าย้อนไปถึงผมตอนนั้นน่ะฮะอ่าครับคนที่เค้าก็ 4 ปีแล้วเออเราก็เป็นระดับอาจารย์อะไรอย่างงี้ด้วยไงผมเลยแบบไม่รู้คงพูดไม่ ครับก็คือเค้ามา 4 ปีแล้วบทช่วงใช่มั้ยว่าหน้าเอ้าอืมเออมันอืมเออก็ อืมก็ได้แต่ฟังแล้วอืมเอ่อนอนไม่หลับเลย พวกอย่างโทมลึกมากไปแล้วเราไม่อยากจะดึงเข้ามาเกี่ยวอีกแล้วคือคือตอนนี้อาจารย์อาจารย์เค้าซื้อบ้านเอาไว้เค้าก็เออคุย ระหว่างนี้ก็มีบางวันที่อยู่ตรงนั้นไม่อ่ะอาจารย์นั่นแหละอืมใช่ครับอ๋อเขาไปทําอะไรบ้างไปทําเลยไม่รู้เลยไม่ไม่ โหยพี่มันทีมันมันมันหักมุมมาก 3 วัน คือไม่รู้อ่ะสมองมันอืมอืมก็ตอนนี้ที่ว่าแบบอยู่ดีก็อ่ะแล้วแบบแล้วทําไมต้องเป็นคือผมเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่ไม่โทรคือเออไม่ก็คืออืมๆ เขาพี่สักคนน่ะขอขอคําปรึกษากับผมได้ยังไงจริงๆอ๋อคือไม่มันจะเจอเออว่ามันจะกินเวลา ก็好โทษนะครับก็ก็เค้าที่รู้ว่าขอโทษที่แต่ผมไม่รู้ 2 เดือนอ่ะมันเป็นความรู้สึกเค้าจริง อืมเออเออเฮ้ยแล้วตอนเราคุยกับเค้านี่เราเพิ่งเอ่อพูดกูลมึงเลยเหรออืมแมะถ้าครับไม่ใช่ไม่มีการถกเสียงกันแบบรุนแรงไม่ไม่ผมเออแต่ ก็คือเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรยังไงอย่างงี้ใช่มั้ยล่ะคือถามว่าขุดมาพูดได้มั้ยได้หมดเลยแต่ว่ามันไม่มีเหตุมันไม่มีมันไม่มีเอผมถาม 4 ปีแต่ก็รู้ใช่มั้ยว่าอ๋อทางฝ่าย หมายถึงฝ่ายอาจารย์ใช่มั้ยลูกเค้าอายุก็ระดับๆเลยผมก็เหมือนกับก็ก็โอเคผมก็เห็นแกตัวเออลองคิดเอเออผมให้เวลายืด ก็ทําให้ครอบครัวเค้าถึงว่าร้าวฉานมันก็ก็ไม่ร้าวฉานถ้า ที่มันเรื่องของเฮาอืมคือถ้าคนเห็นรุ่นน้องเห็นพี่ๆทํางานเห็นเค้าก็พูดได้แค่รู้ว่ามันวางไม่ลงอ่ะมันยังอืมทุ่ง มันลึกพอสมควรแล้วไงอืมคือมัน 2 เดือนที่แต่เวลามันไม่ได้บอกอะไรจริงๆใช่มั้ยอ่ะ เฮ้ยยกถึงโก 6 ก็ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งๆๆซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่เค้าเค้ามีอืมแล้วแต่เค้าก็ให้ห้องแล้วนี่ใช่มั้ย ไม่เหรอนะผมว่าพอแล้วอ่ะผมแล้วอ๋อนี่ต้องถามความใจใจอ่าตอน คือใช้ปกติได้นะครับแต่ว่าก็มีบ้างบางครั้งที่ถ้าอยู่คนเดียวเมื่อไหร่อ่ะก็ประคบคุณว่าอยู่อืมอืมยังเคร่งคงเป็นอย่างงี้อยู่แต่ว่าก็ดี บ้าอยู่คนเดียวอ่ะเพราะใช่เนาะผมก็นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อนที่สนิทสนิทกันเพื่อนที่เนี่ยตอน อยู่นะแล้วเค้าก็บอกว่าคือเค้าแบบปัญหาลุมเร้าทั้งคือเค้าก็เป็นแล้วก็ ตอนท้ายคืนนั้นก็มานอนก็กลับมาถึงบ้านชั้น 2:30 น. เออก็นั่งคุยกันไปอีกก็เราเราเรา ฮัลโหลยังอยู่มั้ยฮัลโหลหนูเป็นนิดนึงอ่ะก็มาคิดเป็นเรื่องของกัสเค้านะครับใช่มั้ยในสุดก็ ต้องให้เวลาดีกว่าให้ค่อยๆไงค่อยๆแล้วๆว่าคุณบอก เอ่อคือถามอ่ะคือถ้าครบแบบจริงเออไม่เป็นไรอ่ากลับมาอ่าเมื่อ จะคิดสั้นใช่มั้ยครับเคยเคยคิดในหัวเลยว่าเออใช่ไงไปแกจะรู้อาการแล้วอยู่ดีหมดแหละ ยื้อยื้อแบบคุยกันคือยื้อว่าแบบขอสักอยู่มึงไปทําความใจอยู่ไปไหนนานอืมแล้ว คือคราวว่าจบแล้วน้องคนนั้นน่ะแต่ว่าตัวการ์ดเนี่ยคงยังไม่จบไม่ไม่ อ่านั่นคือประโยคแรกๆอ่ะเพราะว่าคนนี้เรารู้สึกว่าแต่ว่าที่จริงๆมันไม่ใช่มันต้องพังลงมาไม่ใช่เหรอเออมันก็มันก็เหมือนกับตบหน้าแล้วก็ อืมเหรอแล้วคัตมาอืมปกติผมเป็นๆแล้วกันเออขอนิ่งบ้างบอกว่าอยู่นิ่งๆบางทีเนี่ยอยู่นิ่งๆเนี่ยอ่าพี่ใช่เยอะเลย ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อภิโชคก็เสียใจด้วยๆพี่ส่วน M นี่ไม M, M. <c oughs> บอกให้ เออเดี๋ยวเอมปอกเองเดี๋ยวเอมปอก น่ะคือบางทีต้องคือแต่แต่กัสก็มีมีเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเราอย่างราวๆใช่มั้ยเออมีเกมเพื่อนเก่ก็ โอเคใช่ครับคือคิดได้เฉยว่าเอออยากพัฒนาเรื่องงานอะไรบ้างอยากๆเข้าใจเข้าใจก็คือตัวเองมากอยู่ฟิตเนสไม่ต้องมาสนใจใครอย่างเงี้ยแล้วล่ะตอนนี้ใช่คือเรามีเวลาที่เราจะทํา อ่าว่าแต่กฤษติครับไม่ต้องเดาละเดาแล้วไม่อย่างงี้ครับราศีอะไรบอกเลยดีกว่าราศีอะไรกั๊กก็ต้องเกิดออกัสสิครับอืมเดือนร้อยก็ได้นะไม่ใช่ออกัสนี่กั๊กจังก็เชียร์กันใหญ่เลยอ่ะตอนเป็น <ot earth> <ings> <laughs> ฟิเดลเลตนั่นแหละดีสุดตามระเบียบฟิเดลเลต อันนี้เหมือนกันโอเคงั้นขอบคุณน้องกัสนะผู้ชมครับคนที่มีมา Pink Mango จะอ๋อพี่ทันพี่ใน Facebook ของเขาเออในเขาจะหักเหรอ เมื่อก่อนเนี่ยนึกภาพผู้ชายคนนึงใส่กางเกงแบบว่าเชยสะบัดมากผมไม่ได้ซอย 6 ปีที่ 10 ปีเสร็จก็ไป แต่ตัวเค้าเองเนี่ยไม่ไม่ใหญ่เลยด้วยความที่เพื่อนเชียร์ไงก็เลยเป็นแฟนกันได้สักคือคือคือดาวไปเลยดาวแบบดาว ชอบคนที่หุ่นดีตามหาคนหุ่นดีอยากจะได้เขาไม่เออใช้เวลา 2-3 ปีเองนะบิ้วท์ได้ขนาดนั้น เออ 29 อ่ะเป้นใช่ส่งเท่าไหร่อ๋อที่ทันเนี่ยประมาณ 170 ไม่ได้สูงเลยแค่นี้ก็ทําลายหลายได้แล้วก็ไปตั้งแฟน Facebook นะคะ เออเนี่ยเป๊ะแบบเป๊ะเป๊ะประมาณนี้เลยพี่หนูเอออ่ะๆไม่หวั่นนะฮะเป๊ะประมาณนี้นะคนนี้จะไม่ใช่คนนี้นะเออไม่ไม่ไม่คือก็จะเป็นอย่างนี้ว่าใครที่อกหักไปหรือว่า วิ่งเนี่ยวิ่งบทฝ่ายพามึงรู้อยู่ในทางข้างเออก็ไม่ได้คือชั้น ก็เป็นภาพคือเป็นภาพทิ้งนิ่งโอเคเข้าใจมั้ยเออบางคนพอเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วแบบตายวิ่งสาวเราเบรกกัน ฉันมากกว่าใจรักเธอเหลือ So cold, just of video for men โดยวิทยาแสงอรุณพี่น้องจ๋าและสิ้นปิ๊ดนะครับอัจจูอืมเบรกสุดค่ะเพื่อ ค่ําคืนแล้ววันพรุ่งนี้ก็ไปต่อสู้กับชีวิตกันต่อวันจันทร์ใช่มั้ยครับ มันเพลงอย่างดาวน์โหลดอย่างนี้มา iPod เพลงอย่างไอจูอย่างเงี้ยแบบว่าคุณโอ้ยล้นเพลงแต่ไปหมดทํายังไงดีตอนๆเจ้าเค้าทําคลาวด์คอมพิวติ้งกันสมมุติว่าคุณ Wi-Fi ไปโหลดลงมา ก็ต้องเช่าเอาเป็นบริการเช่าประมาณก็ก็ก็ก็มีพวกจ่ายรายเดือนประมาณเนี้ยมันกําลัง ใช้คํามังกรใช้คําอกิตคําสําแล้วก็เลยมาถึงคํานี้เพิ่งกําลังแบบใช่เมฆาเมคินเมคีอย่างเงี้ยแล้วก็มีคํา คลาวด์คอมพิวติ้งแบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเมฆเหรอคอมพิวเตอร์เออไม่บริการเมฆเหรอมีเทคโนโลยีเมฆอะไรอย่างเงี้ยอืมการคำนวณแบบเหนือเมฆเมฆาวิทยาธิอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วใน ใส่ทับศัพท์ไปเลยนี่คือแปลมาแล้ว 1 0 1 มีการจัด การคำนวณการดําเนินแบตถ้าจะแปลจะแปลดีมั้ยแต่ยังมีความหมายกํากับด้วยเพื่อจะให้ครับก็คือ ไทยทีอ่าโอเคคุยได้ต้องเอกหรือเปล่าว่าครับพี่ใช่หยุดพักผ่อนพักพรพักพรโทรมาวันจะ อ่าๆอ๋อป่าวๆๆพี่ไม่อยู่เหรอสิครับโอ้โหจําไม่ได้ย้อนปีขนาดนั้นนะทําไมอยากจะมีมีตติ้งเออใช่เรียกร้อง ก็จะจัดของ Pink Mango สิ้นเดือนไม่ใช่เดือนนี้ไม่ทันสิ้นเดือนอ่ะได้อยู่เออได้อยู่แม้แต่อ่ะที่ Summit อ่ะทําไมไม่ไปกันหน่อยเนาะไปกับพี่ปิ๊นสิเออเออพอเราคิดมีไป Summit เหรอเอาเจกไปสักคนนึงเออได้ เดี๋ยวเดี๋ยวคุยหลังใหม่คุยหลังใหม่นะได้ๆไม่น่ากลัวเราไป เพื่อนฝูงนะใครจะฮะอะไรนะ ก็มีคนเอาเห็นเห็นนี่บอกว่าอะไรประมาณขายของประมาณๆเชื่อแหละดิฉันไปไม่เป็นเลยในเนี้ยถ้ามัน 2-3 อาทิตย์หรือประมาณเนี้ย แรงๆแรงยังๆๆครับอ่ายังนะเออเออโอเคนางเอกครับอ่ามีแล้วยังไง น่าจ้ะเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวจะ 1 ปีแล้วยังนี้ฮะอืมเออเดี๋ยวจะประกาศบริการใหม่ Pink Mango ด้วยช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ คือน้องแคมป์ครับไม่ต้องแคมป์เลยไปนิด 4 ค่อนบางแค้ได้นะอ๋อหมายถึงซ้ายก่อนหน้านี้ซ้ายก่อนหน้านี้ขี้โม้แล้วจะไปเชื่อบ้าเค้าก็สิงสิงไหมเค้ามากเค้านะ เค้ามีใบรับประกันนะอืมแต่พี่พีเนี่ยไม่ต้องมีใบๆก็ยังอืมยังไม่ขาดอะไรประมาณ เดี๋ยวนี้คงไม่ทันแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เข้าไปสมัครกันไงเออพี่โน้ปิ่นก็ไป แล้วแล้วเคยมีประสบการณ์แบบนี้มั้ยแบบว่าไม่รู้แต่ว่ามันมันจะเอ่อที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยเอออ๋อคือแบบว่าเวลาน้ําตกน้ําตกได้ อย่างงามก็ได้ระวังปลามันเข้าไปด้วยอ่ะคนอ่าเปลี่ยนร้านอีกแล้วเหรอ หอดึงประตูลงอะไรเงี้ยเราเราก็เลยต้องเราก็เลยต้องกลับ ต้องมาโทรต่อเพราะว่าจะได้อยู่ในสายไม่มี เจอพอดีนี่เค้ามีของร้านน่าจะ Facebook นั่นนี่ Facebook เค้ามาแอดอืมเออแต่เค้าไม่ไม่ พี่พีก็ความแอดๆไปแล้วแต่ว่าข้อความเออออดแอดแล้วแต่ข้อความไม่ค่อยปรากฏเออแล้ววัยฉันเปิดหน้าปลดหนี้อ๋อเออฉันฉะกะว่าจะ อ่าสาโทมานิดนึงเพื่อจะให้มีตัวเค้าอยู่ในใช่มั้ยแล้ว 4 คืออะไรอ้าวมีน้องรักของเรามารอนานดึก MK กับครอบครัวอ๋อ ดีดีคือดีขึ้นเยอะแล้วครับอ๋อปล่อยวางปล่อยวางมันอะไรไม่ก็คือของเราคือ ก็ยังอยู่ในถูกมาวงชีวิตเราอยู่ว่างั้นไม่แต่ว่าอาจเออเอา เป็นเพลมากินเอ่ออ่ะวันนี้โอเคคนเดียวนี่คือสิ่งสําคัญเวลาเราเศร้าอยู่หรือว่า ตลุยเอาอากาศไปคนเดียวตลุยเอาอากาศหาจะคิดว่าเออนะโอเคครับครับโอ้ยนี่คุณ of Life มาไม่ เหรอแฮลลี่ฝากเข้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อไปอาทิตย์นี้ที่ต้องไปเสม็ดมีหนัง of Light ที่เข้าแต่ of Light คือเข้าอาทิตย์นี้เปิดคือลหัสที่ เป็นผู้ในการสร้างอ่ะนะแล้วก็มีแบรดพิตเล่นแล้วก็มีเล่นโดยชอนเพนเนี่ยจะเล่นลูกเป็นเล่นเป็นลูกของแบรด 3 คนโดยมี แล้วทําให้เหมือนกับทําให้ในครอบครัวมันก็เอ้าปิดแลแล 20 ครั้งอืมแทงียบๆ20 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็เคร่งคัดกับ เป็นคนดีเป็นคนมีระเบียบประอะไรว่าเนี่ยทําไมแม่เค้าตัวแม่แปะตัวภรรยาของ คือใครพูดว่างโอเคงั้นชั้นๆเลยนะ 2 ชั่วโมงเออขนาดเป็น ทะเลเป็นภูเขาซาวด์เอฟเฟคไม่เคยมีหนังประเภทนั้นอ่ะเป็นเป็นทะเลเป็นภูเขาเป็นภูเขาไฟเลยแล้ว ก็ไม่เข้าใจกับพ่อแต่ว่าก็ไม่เคย 60 70% ของโล่ง 60 70% ของโล่งนะซึ่ง หนังอ่ะเตะคือคนดูขนาดเนี้ยเรียกว่าเรียกว่าเยอะเยอะแล้วแต่ว่าหนังพอจบแล้วเนี่ยส่วนมากต้องเออเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นหรือว่าเค้า โอ๊ยคุณไม่ไหวแล้วคุณไม่ไหวไม่ 2 ก็คงเออหนังสวยเออหนัง ชีวิตต้องมีประเด็นนะคือเธอดูปั๊บแล้วเธอหลับไปตื่นไม่ได้มีหลับไปนิดนึงด้วยแต่หลับไปตื่นมาก็ยังเป็นธรรมชาติคืออนุรักษ์ธรรมชาติเป็นต้นไม้เดี๋ยวก็ต้นไม้ใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้สวยใช่มั้ยเออไม่เข้าใจไม่เข้าก็ Fresh <ใช>คือเนี่ยจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยว่ามันมี ก็ไม่รู้ก็รู้ว่ามีกลุ่มท่องเที่ยวแต่ว่าอยากจะกันบ้างเค้ามีจุดไหนนัดพบกัน ที่คุยกันว่าเป็นบ้าน ปทม. แล้วมีนึงใกล้ๆบริเวณห้องน้ําอย่างเงี้ยเอออันนี้เราไม่ Facebook พี่วิทยาวิทยาจะได้เดินได้เป็นเป็น directory มั้ยเออ directory หรอไม่เราจะส่งออกมาแคตตาล็อกเราจะ Pink Mango Fresh ก็คือว่าได้รับข่าวทั่วประเทศเลยคือว่าได้รับเดี๋ยวๆๆคล้ายๆหนังสือชื่อ สปาดแคสสปาดแคสอันนี้ directory ท่องเที่ยวแต่เราอาจจะไม่ขนาดใช่หรือว่าปิ๊ดเคย 2 คนเค้าน่ารักมากๆกันอะไรอย่างเงี้ยชัวร์ ใช้บอกชื่อร้าน 29 บาทเองได้ข่าวทั่วประเทศแล้วก็ส่งใช่เดี๋ยวเป็นส่ง Mango Fresh ส่ง 3 ข่าว 50 บาท อ๋อ 3 บรรทัดเนี่ย 50 บาทโอ้เยอะอยู่แล้วแต่เราต้องเป็นคนเลือกเองมีสิทธิ์อยากเลือกเองว่าอันนี้ใช้ได้ส่งออกแล้วมีจับรางวัลอะไร 2 เจ้าอืมเดี๋ยวมีมีมีมีมีมามีมาที่เป็นสมาชิกของ King Melon Fresh มา บ้าไม่มี Facebook เขาก็แปลว่าก็แปลว่าพรรคปกรณ์นะ Twitter Twitter ไงสำเนียงสกุณานะสัญลักษณ์ก็เป็นนกไง Google Plus ก็เป็นเออเหรอค่ะนะคะไฮไฟไฮไฟชื่ออะไร YouTube ทันท่ออันนี้ฟังคนยังไงมีทันเออทัน YouTube ไง YouTube เออ แล้วก็เป็นจับสวัสดีกันวันนี้ตรงนี้เลยนะครับ ทักทักสนิทนะครับทักอ่านนี้มามานี่ถ้ามานิดนึงก็ได้มาครับมาฮัลโหลไม่ เอ่อเรายังอยู่อ่ะครับเอ่อเคลียร์งานขึ้นเสร็จแล้วครับ เดินหน้าน้องเอเนี่ยมาเอก็พิมพ์กัน I don't know why and to thank you for the rest of the day I want to thank you for the rest of the day I want to Let me attend to you Fins demà!